ตั้งแต่เราตื่นมาเนี่ยท่านผู้ฟังเียเราตื่นมาจากท่านอนใช่เราจะลุกขึ้นเนี่ยคนจะนอนจากท่านอนมาเป็นท่ายืนมันก็ต้องผ่านท่านั่งก่อนเนี่ยก็ต้องนั่งน่นั่งเสร็จแล้วก็ยืนยืนเสร็จแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำเนข้ห้องน้ำทำกิจอะไรเรียบร้อย่ก็เดินกลับมาเนี่ยก็ต้องยืนถ้าจะนอนต่อก็ต้องนั่งก่อนเนี่ยนั่งเสร็จแล้วก็นอนนอนต่อก็นอนไป แต่จะลุกขึ้นไปทําการงานก็ไปได้นั้นทั้งวันเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่ในสี่เอรบทนี้เดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนก่อนจะนอนก็ต้องนั่งก่อนจะเดินก็ต้องมายืนเดินเสร็จแล้วจะหยุดนดีนั่งเลยก็ไม่ได้ก็ต้องยืนก่อนนั้นสลับกันไปสลับกันไปทั้งวันเดีไม่ใช่แค่ทั้งวันทั้งปีนดีไม่ใช่แค่ทั้งปีทั้งชีวิตเดี๋ยอยู่ตรงนี้เอรีบทส พระพุทธจึงใช้คําว่าจะตัจกักรนะแต่จะตัจักังก็คือหมุนไปนี่แหละอยู่ในอริบท4อย่างยืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนแตนะ่ถ้าจะเรียงลําดับให้ถูกนะตามที่พระพุเจ้าพูดก็จะเริ่มจากอริบทที่ห ย, ยาบหยาบคือเดินแล้วก็ยืนแล้วก็นั่งแล้วก็นอนเดินยืนนั่งนอนเดินยืนนั่งนอนนอนนั่งยืนเดินแล้วนะวนไปวนมาอยู่อย่างนี้สอย่างเดินยืนนั่งนอน และนอกจากนี้อริบททั้ง4อย่างที่เราเวียนไปเนี่ยจิตใจของเราก็ไปด้วยตอนที่เดินจิตเราก็ไปอยู่กับกายในท่าเดินตอนที่ยืนจิตเราก็อยู่กับกายในท่ายืนตอนที่นั่งจิตเราก็อยู่กับกายในท่านั่นงตอนที่นอนจิตเราก็อยู่กับกายในท่านอนจิตที่มันไปอยู่กับกายที่หมุนเวียนไปในอริยบททั้ง4เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ว่าจะอยู่ในอริบทไหนก็ตามเราสามารถที่จะ ทำความเพียรได้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันมีจิตแต่มางก็อาจจะคิดว่าความเพียรเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าคุณต้องใช้แรงแต่ต้องเดินต้องยืนหรือนั่งนี่อาจจะได้นิดหน่อยหน่อยแต่คือบางคนอาจจะนั่งทำงานแต่ถ้าจะได้งานจริงๆต้องยืนต้องเดินแต่อย่างกรรมกรแบกหามนี่ยืนเดินยืนเดินนะนั่งมีนิดหน่อยแต่ถ้าคนทํางานในบริษัทก็นั่งมากกว่านะยืนเดินก่็นิดหน่อยแต่ที่นี้การงานตัวนั้นคือการงานภายนอก ซึ่งพระเจ้าได้พูดถึงการงานที่เราพูดถึงการทําความเพียรเนี่ยคือการงานที่เกิดขึ้นในใจเพราะฉะนั้น ใ, น, ในใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าเดินท่ายืนท่านั่งหรือท่านอนถ้าใจของเราไม่มีนิวรณ์เป็นใจที่ปราศจากนิวรณ์ทั้งหนะ้าทำให้สงบระ ง, งับไปได้แล้วแล้วนะก็มีสติไม่ลืมหลงนะมีกายสงบระ ง, งับไม่กรวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวนะจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอน ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปรารบความเปลี่ยนนะเราสามารถทําความเพียนได้ในทั้ง4อริบทในะแม้แต่ท่านอนทนะ่านนอนตื่นอยู่นะก็ทําความเปลี่ยนได้ถ้าใจไม่มีนิวรณนะ์ปราศจากนิวรณ์คือเครื่องกลางกัน้นะมีสติไม่ลืมหลงอย่างเรามารู้ดูลมหายใจของเราอย่างไม่ลืมหลงอันนี้ก็มีสติอยู่แลนะมีกายสงบระ ง, งับไม่กระวนกระวายเวลามีผัสสะใดมากระทบนะกายก็ไม่วุ่นวายไปตาม ความเปลี่ยนแปลงของภัสสะนั้นนั้นฝนจะตกแดเจ้า อ, ออกรถจะติดแต่กายเราก็ยังสงบอยู่ได้สบายอยู่ได้และมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์อันเดียวความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวนี้ก็หมายถึงความที่มีใจจดใจจ่ออยู่ในที่ใดที่หนึ่งซึ่งในที่นี้เนี่ยเราสามารถทําได้ในทั้งสี่อริบท์แต่วันนี้จึงพูดถึงรีบท์ทั้ง4ที่พูดถึงว่าเดินยืนนั่งและนอนเป็นรีบท์ที่เราจะวนเวียนอยู่ตรงนี้ นอกจากเราวนอยู่ในสท่านี้นนตลอดชีวิตของเราก็ไม่มีท่าอื่นละมันก็จะวนกันอยู่ใน4ท่านี้นนคือกายของเราจะอยู่ใน4ีท่านี้แล้วลักษณะของกายเนี่ยพระเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับถุงถุงผ้าชนิดหนึ่งที่มีปากเปิดได้2ข้างคือถ้าเราจะเปิดทางหัวก็ได้ทางท้ายก็ได้ไม่รู้ว่าอันไหนหัวอันไหนท้ายจริงๆแล้วเพราะมันมีปากเข้าได้ทั้งสองข้าง เป็นถุงชนิดที่ว่าเขาไว้เก็บสิ่งต่างๆได้แต่เป็นถุงประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าไท้ซึ่งถุงที่มีทางปากเปิดเข้าได้สองข้างเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็คือเหมือนกายของเราแต่มีทางเข้าออกอยู่2องทางนั่นคือทางปากตรงหนึ่งในช่องทางข้างบนแล้วก็ทางรูข้างล่างในอีกทางหนึ่งในสองสองทางทางเข้าทางออกข้างบนข้างล่างตรงนี้ก็เป็นลักษณะของถ้ยเหมือนกันคนเราก็มีเนี่ยเทียบกไปทางนี้มันก็ออกมาทางนั้นลักษณะเดียวกัน ในบาลายักท่านก็จะเปรียบกายนี้ไหนะว่ามีทวารอยู่ทั้ง9กนะ้าไหนทวานทั้ง9ที่จะมีของไหลเข้าไหลออกอยู่ในกายของเราแล้วนกะ็มีตา2องไมีหู2องไมีจมูก2นะก 2, นะ็เป็น6แล้วไหนมีปาก1ก็เปนะ็น7จ็ดไหนทวารหนนะักทวารเบาก็เป็น 8- ปดและเกนะ้าไนเป็นช่องที่จะมีอะไรไหลออกมาอยู่ตลอดเวลาไหนะออกมาทางหูเขาก็เรียกเป็นขี้หูออกมาทางตาเราเกียรดูอา้าก็เป็นขี้ตาในะขี้มูกก็มี ขี้ปากก็มีนะ่ะทายหนังทายเบาออกมาหมดแลนะเป็นช่องทางทั้งหมด9ทางที่เรียกว่ากายเนี้ยมีทวารอยู่9ทางซึ่งหมายถึงทางเข้าหรือทางออกนะ่ะซึ่งในกรณีนี้ก็คือมีของไหลเยิ้มออกมาอยู่ตลอดนะใน9ทางนี้นะ่เป็นลนักษณะของถุงนะ่ะที่มีปากเปิดเข้าออกได้2ทางนะ่ะเป็นถุงหนังที่มีของไหลเยิ้มอยู่ตลอดเวลานี่คือกายของเราต็มฝั่งนะน่ะวนเวียนอยู่ในเอริโบสี มีช่องทางอยู่9กทางเวลาที่เราทําความเข้าใจในกายของเราเนะี่ยที่มีอริบทีมีทางเข้าออกอยู่9ทางเนี่ยเราควรจะต้องได้ประโยชน์จากไอ้ใจที่มันถูกคังอยู่ในกายนี้แตนะ่คือใจของเราเนี่ยตอนนี้มันเหมือนถูกล็อกอยู่เนะในกายก้อนนี้ที่วนเวียนอยู่ในอริบทีนะ่มีทวาวรอยู่9ทางแลนะถูกล็อกอยู่ตรงนี้สภาวะที่ใจของเราถูกล็อกอยู่ในกายแบบนี้เนี่ยนั่นกะ็เรียกว่าเป็นภพ นะเป็นพบของความที่เราได้กลายเป็นมนุษย์นะบางทีก็มีความสุขบ้างบางทีก็มีความทุกข์บ้างซึ่งเราจะสามารถอาศัยกายนี้นะที่มีจักรสีนะ่คือการหมุนวนไปใน4ทิศทางนีนะ้ไม่เดินก็ยืนไม่ยืนก็นั่งไม่นั่งก็นอนนะหมุนไปในะสี่ทางก็เรียกว่ามีจักรสี่แล้วก็มีทวาร9ก้าตา2หู2อจ ม, มูกสปากหนึ่งแล้วก็ทวารหนักทวารเบา ทั้งหมด9กาถังในะเป็นกายของเราเหนะือที่ใจของเรามาอาศัยอยู่ตอนนี้เนะ ล, ลงถูกล็อกอยู่ด้วยเรื่องของกรรมอยู่ที่นี่เนะื้ในเมื่อเราอยู่ในกายนี้แล้วเหนะือที่มีจากสีมีทวาร9เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากมันได้เนะืเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในการที่จะทําความเปลี่ยนได้พระเจ้าได้เคยตรัสถึงเรื่องของการทําความเปลี่ยนในอรีบททั้ง4สนะี่เนือเมื่อไรก็ตามที่เราละนิวรณ์ได้ เราละนิวร์นั่นคือเครื่องการันตมอนที่คุณนั่งทํางานอยู่หรือว่านั่งอา่านหนังสือพิมพ์ดูข่าวสารแม่ข่าวนี้มันเครืองนั่ดูแล้วมันเครืองเอาแซดงว่าในรอบของการนั่งของคุณตรงนั้นน่ะมีนิวรณเกิดขึ้นอ้าคุณใช้กายไม่ถูกล่ะคุณใช้กายนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่ากายเนี่ยมันเป็นเครื่องสั่งสมของบูดเน่าอยู่แล้วนคำว่าคนเนี้ยหมายถึงการพูดที่กลินกินของบูดเน่าอยู่แล้วโดยโดยสับของมันเพราะฉะนั้นในเมื่อ กายของเราเนี่ยแหมมันเป็นถุงหนังที่มีอะไรไหลเยิ้มเข้าไหลยเยิ้มออกอยู่ตลอดเวลาและน่าเกลีขนาดนี้แล้วเนี่ยเราควรจะทําใจของเราให้มีความสะอาดนะใจของเราอย่าให้มันมีความกักกะละให้มีความสุขปร่เพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราอยู่ในรอบแห่งการนั่งหรือว่ารอบแห่งการเดินหรือว่ารอบไหนในสี่รอบนี้นะให้เราทําใจของเราเนี่ยให้มันปราศจากนิวรณ์ซะอย่าไปคิดไม่ดีเรื่องอะไรที่มันจะคิดไปนในทางการ คิดในทางเบียดเบียนพยาบาทกับคนอื่นอา้าวนี้เราก็ละเสียนั้นทําอะไรอยู่ในท่านั่งหรือว่าท่ายืนหรือว่าท่าเดินแล้วมันมีความง่วงซึมมีความขี้เกียจขี้คร้านความเบื่อเซ็งนั้นก็ละไอ้เจ้าความคิดเหล่านั้นเสียล ะ, ละความคิดในทางการละเรื่องพยาบาทละความง่วงซึมนั้นถ้ามีความฟุง้งซ่านอยู่ในใจเราก็ละมันด้วย แล้วก็ถ้ามีความเคลือบแคลงความเห็นแย้งในเรื่องมรรคในข้อปฏิบัตินะเราก็ทําความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นไต่ถามคําถามที่มันจะทำให้เกิดความคลายความเคลือบแคลงคลายความเห็นแย้งให้ได้เราก็จะสามารถละนิวรณนทั้ง5ได้แตนะ่ถ้านเราฟังลองคิดดูสิเราวนไปใน4รีบทนี้แนะเรามีทางเข้าทางออกอยู่9ทางไม่ว่าสักทางใดทางหนึ่งในเทางไม่ว่าสักรอบใดรอบหนึ่งในสี่รอบนี้ ถ้ามันมีเครื่องข้องเครื่องขวางเครื่องกั้นเครื่องปิดเนี่ยมันก็จะทําให้มันหมุนไปยากนั่นมันก็จะไม่เข้าออกติดขัดดัะนั้นเวลาที่เรามีจิตของเราเนี่ยให้อาศัยในช่องทางต่างๆทั้ง9ทางในการที่จะทําจิตให้มันปราศจากนิวรณ์ให้อาศัยในรอบทั้ง4รอบในการที่จะทําจิตนั้นให้ไม่มีเจ้าความคิดในทางการพยาบาทเบียงเบนนั่นทําใจของเรานั้นให้สูงให้ดีเมื่อไรก็ตามที่เราล ะ, ละนิวรณ์ทั้ง5้าอย่างได้ ในจิตมันก็จะเริ่มไปในแนวทางที่จะเป็นสมาธิละเพราะจิตเริ่มไปในแนวทางที่จะเป็นสมาธิสติเราจะเริ่มตั้งขึ้นได้นะเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราพยายามที่จะละนิวรณ์สละนิวรนั้นตรงนั้นแสดงว่าเราเริ่มตั้งสติขึ้นในเราพยายามที่จะตั้งสติอยู่ให้ดีในในบนรอบที่มันบนไปยืนเดินนั่งนอนให้จิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่มีฐานที่ตั้งในทวารทั้ง9้าที่มีอะไรไหลเข้าไหลออกอยู่นี้ให้จิตของเราในที่มันอยู่ในเนี้ย มีฐานที่ตั้งให้มันถูกต้องเรียกว่าเป็นสตินะที่ไม่ลืมหลงหนะืคนที่มีสติไม่ลืมหลงก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปรารบความเพียนอยู่อย่างเนึ่งนิดปรารบความเพียนอยู่อย่างไม่ย่อหย่อนคนที่มีสติอย่อยางเต็มที่ก็จะสามารถที่จะละนิวรณ์เครื่องกงกัน้นเะนที่จะทำปัญญาให้ถอยกำลังในเวลาที่เรามามีสติเหนะเราใช้กายของเรานี้เป็นที่ตั้งได้เหนะอย่างเจ้ารีบ ท, ทั้ง4 ถ้าเราเดินกนะ็มีสติในการเดินจะเป็นการเดินจงกรมก็ตามการเดินไปทำงานหรือการแม้แต่การวิ่งออกกำลังกายก็ตามกนะ็มีสติตั้งขึ้นไดนะ้ถ้าคุณจะยืน เ, เฉยๆนะยืนนิ่งๆคุณก็มีสติได้อย่างทหารเขาเข้าเวรยามนะยืน เ, เฉยๆยืนนิ่งๆมีสติได้ตั้งขึ้นได้นะก็ดีใช้ถ้ายืนนั้นเป็นฐานที่ตัง้ง่งการให้มีสติเกิดขึ้นนะหรือว่าถ้าคุณนั่ง นั่งสมาธิหรือนั่งประชุมหรือว่านั่งพักผอ่อนหย่อนใจล้วก็สามารถมีสติในในท่านั่งได้บางคนจะนอนนอนตื่นอยู่นี่แหละก็ตั้งสติขึ้นเอาไว้ได้ตั้งสติโดยการที่รู้ว่าเราอยู่ในท่านอนหรือบางคนจะหลับจะน้อมจิตไปเพื่อการนอนหลับแราก็ตั้งสติเอาไว้ระลึกให้ได้ว่าถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่จะลุกขึ้นทันทีอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นผูท้ที่นอนตื่นอยู่ก็ยังมีสติ นะีตั้งสติเอาไว้ในวงรอบทั้ง4ของร่างกายของเร า, าหรือแม้แต่ในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายนทะวันหนักทวันเบาเบาจาทวันทั้ง9้าอย่างในะที่อยู่ในกายของเราเนี่ก็เป็นช่องทางที่ทําให้เรามีสติได้เวลามีอะไรผัสสะอะไรมากระทบทางตาทา ง, ทางหูเรารู้สึกในสิ่งใดๆก็าตามเนะให้เรามีสติตั้งขึ้นเอาไว้เนะี่ยไม่ไหลไปตามผัสสะที่มีความชอบใจไม่ขยกะกขยง้ง ในภัษญาที่มีความเกลียดชังัจะถ่ายปัสวาวะจะถ่ายอุจจาระก็ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ตัวรอบคอบเรารู้ตัวรอบครอบในการพูดการนิ่งรู้ตัวรอบครอบในการหยุดการก้าวรู้ตัวรอบครอบในการเหยียดการคู่รู้ตัวรอบครอบในการกินการดื่มค้ามรู้ตัวรอบครอบตรงนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสติอันไม่ลืมหลงคนที่มีสติอันไม่ลืมหลงโดยอาศัยรอบทั้งสี่ เดินยืนนั่งนอนโดยสายทวนตั้งเก้านั่นเป็นผู้ที่ทําความเปลี่ยนอยู่อย่างหนึ่งนิดพอมีสติตั้งขึ้นได้นิวรณหายไปก็จะสามารถทํากายให้สงบระ ง, งับไม่กระวนกระวายได้กายที่สงบระ ง, งับเนี่ยก็เป็นผลมาจากการที่เรารู้สึกสบายใจคนที่มีความสุขความสบายใจเนี่ยกายมันจะระ ง, งับเพราะอะไระเพราะว่าพอสุกกายสบายใจแล้วเนี่ยมีอะไรมากระทบเรื่องราวอะไรต่างๆรับรู้เสียงรับรู้ภาพ ร่ากายของเราจะไม่วุ่นวายก็เรียกว่ามีความสงบระ ง, งับความสงบระ ง, งับในที่นี้ก็คือปัสจิติปัจ ส, สิติก็เป็นผลราชการที่เรามีความอิ่มเมอิบใจความสบายใจอยู่ในภายในถามว่าไอ้ความมีเมื่อใจความสบายใจเนี่ยมันเกิดตอนไห น, นมันก็เกิดตั้งแต่ตอนที่เราละนิวรณ์ออกไปมันเกิดตั้งแต่ตอนที่เราพยายามที่จะตั้งสติขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราพยายามที่จะละนิวรณ์เอาเราเอาอกุศลออกไปอยากใจเวลาที่เราพยายามจะตั้งสติขึ้นเอาคุณสร้างกุศล เกิดขึ้นมาในใจเนะอกุศลค่อยๆ อ, ออกไปกุศลค่อยๆมากขึ้นนะไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยใจของเราจะสบายใจของเราจะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจความมีวิตใจความสบายใจตรงนี้ก็เป็นผลจากการที่อกุศลลดลงกุศลธรรมลลลา ม, ลลลมากขึ้นความที่อกุศลลดลงความที่กุศลธรรมมากขึ้นนะักชื่อว่าเป็นการทําความเปลี่ยนพระเจ้าจึงบอกว่าผู้ที่พยายามทําตั้งสติขึ้น มีสร้างกุศลละผู้ที่พยายามที่จะละนิวรณ์เอาอากุศลออกไปละในะจึงเป็นการทาความเพียรอยู่อย่างหนึ่งนิดแตนะ่ถ้าไปถึงจุดหนึ่งจะมีความสบายใจควา ม, ม, มอิ่มเอิบใจนะักายก็สงบระ ง, งับไปด้วยนะักายที่สงบระ ง, งับเนี่ยเป็นผลจากการที่จิตนั้นสบายพอเวลาที่จิตสบายแล้วจะร้อนจะหนาวเอ่อจะได้กินอะไรหรือไม่ได้กินอะไรนะักายมันจะมีความระ ง, งับ นะความว่าระ ง, งับในที่นี้ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรนอนนิ่งนิ่งเป็นท่อนฟืนท่อนไม้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าความที่กายระ ง, งับเนี่ยก็คือความที่กายนั้นไม่ดนะิดดาร์ตปรีปรัเปลี่ยนแปลงดิดดิ้นไปตามสิ่งที่มากระทบนะความที่เวลามีอะไรมากระทบแล้วไม่ดิดดิ้นขึ้นมาไม่ปรีปราดไปทางนั้นทางนี้นะ่ความที่พอจะระ ง, งับพอจะนิ่งอยู่ได้่นะทํางานอะไรอยู่ก็ตามอาจจะผ่าฟืนเตรียมกับข้าว นะกายก็ยังมีการขยับไปเยื่นไปแต่ก็เป็นกายที่ระ ง, งับได้เพราะว่าต่อให้เราอยู่หน้าเตาร้อนๆต่อให้เราอยู่กลางแดดร้อนๆ น, นะเราก็ไม่ได้ทำชั่วไม่ได้ทำความผิดนะระ ง, งับในลักษณะที่ยังมีศีลเป็นกรอบความระ ง, งับตรงนี้ก็ยังหมายถึงว่าคุณไม่ไปฆ่าสัตว์กายมันไม่ดิ้นดิด้นออกมาจนกระทั้งเบียดเบียนใครด้วยทางกายนะหรือว่ากายมันไม่ดิ้นดิ้นออกมาจนกระทั่งต้องไปประพฤติผิดในกามกายมันไม่ดิ้นดิ้นมาจนกระทั่งต้องไปรักขโมยเขา เป็นผู้ที่จะมีกายระงับอยู่ได้แต่เพราะนั้นการที่กายระงับตรงนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีกิจกรรมอะไรเราก็ยังยืนได้เราก็ยังเดินได้เดินก็มีกายระงับได้เดินยืนนั่งนอนนเป็นผู้ที่มีกายระงับได้นไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอรมณเดียวความที่จิตตั้งมั่นเป็นอรมณเดียวถ้าคุณอยู่ในรีบทเดินเดินอยู่จิตเป็นอรมณเดียวได้ไม่ใช่ว่าถ้าจิตเป็นอรมณเดียวแล้วเดินอยู่คุณจะหกลม้มไม่ใช่อย่างนั้น แต่เราก็เดินไปได้มีสติในการเดินเราพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ในเรื่องนั้นเรื่องเดียวไม่คิดไปในเรื่องอื่นชื่อว่ามีจิตเป็นอารมณ์เดียวการที่พิจารณาอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวแล้วกายก็หมุนไปตามรีบท่างต่างสามารถทำได้เพราะว่าจิตของเราเนี่ยมีหลายระดับอย่างเช่นว่าเรารับรู้เสียงเราก็เห็นภาพไปด้วยได้เราก็ยังรับรู้รสไปด้วยได้ เช่นเวลาที่ท่านผู้ฟังไปดูหนังหรือว่าดูละครอยู่บ้านอย่างเงี้ยตาก็ดูทีวีไปด้วยหูก็ฟังเสียงละครและฟังเสียงทีวีไปด้วยนะอีกคัวหนึ่งถ้าคุยโทรศัพท์ก็ยังคุยโทรศัพท์ได้ด้วยนะปากก็พูดไปนะลิ้นก็อาจจะกินอะไรอยู่นะซึ่งมันไปด้วยกันทั้งหมดได้เพราะในขณะที่เราเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่นะเรายังเป็นผู้ที่ทําจิตเนี่ยให้เป็นอารมณ์เดียวได้เพราะว่าจิตมันก็มีหลายแบบหลายประเภท นีมันก็แยกไปทําหน้าที่ต่างๆกันไปในจิตดวงที่ให้เป็นอารมณ์เดียวมันก็เป็นอารมณ์เดียวในเรื่องนั้นไปในเรื่องเดิมก็เดินไปในเรื่องการพิจารณาก็พิจารณาไปในพู้ที่มีจิตเป็นอารมณ์เดียวเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เพียนเผากิเลสเหมือนกันเพราะว่าความเป็นอารมณ์เดียวนั้นก็คือสมาธิสมาธิเนี่ยหมายถึงความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวในจิตที่เป็นอารมณ์เดียวนี้ไม่ใช่ไม่มีความคิดในตัณโมวังในจิตมีความคิดอยู่ เช่นถ้าเราคิดเรื่องการงานคิดเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองคิดเรื่องข้อสอบคิดเรื่องการเรียนนั้นถ้าเราคิดเรียนรู้อยู่ในเรื่องที่เรากําลังทําอยู่นั้นในะชื่อว่ามีความคิดอยู่ในะอยู่ในอารมณ์เดียวอยู่ได้ในเช่นะ et, ถ้าเราอ่านหะนังสือในคุณก็อ่านหนังสือไปแลนะมีจิตจดจ่อยใน ก, การอ่านหนังสือตรงนั้น Dad, คุณอื่นเรียกไ้นั่นไปนี่เราอาจจะไม่ได้ยินแในะซึ่งการที่เราเอาใจจดใจจ่อนในการอ่านหนังสืออย่างเดียว คิดวิเคราะห์ตามเรื่องราวที่เขียนไว้เป็นตัวอักษรตัวหนังสือตรงนั้นแะการวิเคราะห์การพิจรารณาการที่เราคิดใคร์ครวนตรงนั้นเนี่ยชื่อว่าความที่จิตเป็นอารมณ์ัเดียวได้เหมือนกันแลนะซึ่งแน่นอนสมาธิเนี่ยมันก็มีหลายระดับนะในระดับแรกที่เราพอจะเรียกว่าเป็นสมาธิที่ตั้งขึ้นได้ใช้ประโยชน์ได้เนี่ยก็คือระดับที่ยังมีความคิดอยู่นะคือเรายังจะไม่พูดถึงเรื่องความคิดที่เป็นไปในทางการไปบัศเบิยดเบียนในทั้งฝั่ง ความคิดตรงนั้นเนี่ยมันไม่เรียกว่าเป็นกุศลละมันเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลนะซึ่งเราจะต้องละให้ได้ละแต่ถ้าเรายังละความคิดในทางอกุศลนั้นไม่ได้มันก็จะเปลี่ยนรูปแปลรูปเป็นลักษณะของนิวบอนที่จะเกิดขึ้นได้นะซึ่งถ้าเผื่อว่าเราละไอ้เจ้าความคิดในทางการปฏิบัติเบียดเบียนได้แล้วความคิดที่เหลือทั้งหมดก็ไม่เก right ี yeah. ่ยวข้องด้วยการไม่เกี่ยวข้องด้วยปยาบาทไม่เกี่ยวข้องด้วยความเบียดเบียนความคิดตรงนั้นแหละเป็นความคิดที่เป็นกุศลหรือทำได้ หรือแม้ว่าความคิดตรงน้าจจะกระจัดกระชายไม่ได้เป็นเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งทีเดียวเช่นเดีคิดเรื่องไปทําบุญอาจจะคิดเรื่องความดีของแม่หรือคิดเรื่องความดีของคนนั้นคนนี้ซึ่งตรงนี้เป็นความคิดที่กระจัดกระจายอยู่แต่ว่าก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นกุศลธรรมก็ไม่จัดว่าเป็นเรื่องของนิวรณ์น่ะไม่จัดว่าเป็นความฟุ้งซ่านแต่มเป็นความคิดที่อาจจะยังไม่เป็นระบบระเบียบยทีนี้ถ้าในกรณีที่เราทํางานเรื่องใดเรื่องหนึ่งความคิดมันค่อนข้างเป็นระบบระเบียบขึ้นมา แนวความคิดที่เป็นระบบระเบียบขึ้นมาตรงนี้ก็สมาธิก็ลึกลงไปดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งในเวลาที่เรามีความคิดอยู่ไม่ใช่ความคิดนั้นทั้งหมดจะเป็นเรื่องไม่ดีแนวคิดเรื่องดีๆก็เป็นสิ่งที่ดีได้เพราะนนั้ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นความที่จิตเป็นอรมณันเดียวได้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าถ้าเวลาเราคิดนู่นคิดนี่ไปเนี่ยเดี๋ยวมันเผลอคิดเรื่องที่ไม่ดีบางครั้งมันมีแต่ซึ่งถ้าเราต้องการจะทําให้มันดียิ่งขึ้นไปเราก็เข้าสมาธิมันลึกขึ้นนั่นเป็นลักษณะของสมาธิ ที่ไม่มีความคิดเป็นเรื่องของอุเบกขานะที่มีความสุขติดอยู่ด้วยหรือเป็นอุเบการุ่นๆที่ไม่มีความสุขก็ไล่เป็นกันเป็นตอนไปแต่ในเวลาที่เราพิจารณาให้เห็นนะเพื่อที่จะให้รู้ว่าในร่างกายของเราที่มีวงรอบสี่อย่างนะคือเดินยืนนั่งนอนที่มีทวาร9กาทางนะคือตา2หู2จมูก2ปากหนึ่งทวานหนักและทะวารเผาเป็นสิ่งที่เราสามารถจะใช้ประโยชน์ได้ มันดูเหมือนเป็นสิ่งที่น่าเบื่อเพราะมันวนไปอยู่4อย่างเท่านั้นนต่ replied, มันดูเหมือนเป็นสิ่งที่น่าจะลุ่มหลงมัวเมาได้ทั้งทางทวารทั้ง9้าทางแต่แต่ถ้าเราใช้ให้เกิดประโยชน์ตามบุฟังนะมันก็สามารถเป็นเครื่องมือที่ทาให้เราหลุดพ้นได้นั้หลุดพ้นจากสังสารวัตได้แตคือถ้าเราเข้าใจจากสี่เข้าใจทวาร9้านี้อย่างดีเราจะหลุดพ้นจากจากสี่หลุดพ้นจากทวาร9้าวนี้ได้แต่ถ้าเรามีปัญหาเราเห็นปนัญหาเราเข้าใจปัญหา เราจะแก้ปัญหาได้ซึ่งต่างแก้ปัญหาที่พระเจ้าให้ไว้เนี่ยก็คือความเข้าใจอย่างที่พูดมานี่แหละนะในจิตของเราที่เราไปรับรู้เจ้าวงรอบสอย่างได้ในกายของเราที่มีทวารทั้ง9ทางจิตของเราถูกล็อกอยู่ในนี้ถ้าเราละนิวรณ์ทั้ง5้าประการให้ได้ตั้งสติขึ้นเอาไว้นะ่ยมีความเพียรไม่ย่อหย่อนนะ่ยมีกายสงบระ ง, งับไม่กระวนกระวายมีสติไม่ลืมหลงเนะี่ยตรงนี้แหละ เราจะได้ประโยชน์จากกายนี้จากวงรอบสีน่นี้จากตะวันทั้งเก้านี้อย่างมากทีเดียวพเจ้าของเราก็เป็นอย่างนี้นเกิดในกายาใช้กายนี้เกิดม า, าเกิดมาก็อยู่ในชนชั้นกระสัเกิดมาแล้วเห็นความเศร้าหมองต่างๆในกายเห็นวงรอบสี่อย่างนี้เห็นตะวันทั้งเก้าทางนี้แล้วก็ใช้สิ่งนี้หละในการที่จะหลุดพ้นจาก ไอ้ความแปดเปื้อนความโมวหมองความเศร้าหมองที่เกิดกันได้เนเหมือนกับดอกบัวท่านฟังดอกบัวเกิดจากขี้ตมเกิดจากน้ํานี่แต่ว่าน้ําที่ดอกบัวเกิดมาจากนั้นขี้ตมที่ดอกบัวมันโตมาเนี่ยมันไม่สามารถแปดเปื้อนดอกบัวไม่สามารถแปดเปื้อนใบบัวได้นีถ้าใบบัวโดนน้ามันก็ไหลเลือดออกเช่นเดียวกันจิตของเราเออมันถูกล็อกอยู่ในกายที่แปดเปื้อนอยู่นี้ นะชาบไทยอยด้วยเนื้อและเลือดมีโครงกระดูกตั้งขึ้นไว้มีเรื่องที่น่า ย, ยินดีไม่น่า ย, ยินดีบ้างนะวนเวียนไปใน4ทางนีนะ้เราสามารถที่จะหลุดพ้นจากมันได้แตนะ่สามารถที่จะทําใจของเราเนี่ยที่มันดูเหมือนจะอยู่ในสิ่งที่มีความแปดเปื้อนไม่น่า ย, ยินดีเจอความทุกข์ความสุขบ้างนะวนเวียนอยู่ในนี้นะเราสามารถทําให้หลุดพ้นจากตรงนั้นได้เหนะมือนกับดอกบัวที่จเจริญมาจากน้ำโตจากน้ําแต่ก็ไม่เปื้อนด้วยน้ําใจของเรา นะมีเ ค, leg, เครื่องกิเลสเครื่องกังบลมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมากระทบเนือเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้ขันตั้ง5้าอเยตนะ6กเนือเวทนารยต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเราเห็นสิ่งนั้นตามที่เป็นจริงอาศัยกายของเรานี้เป็นที่ตั้งให้เกิดสติไม่ลืมหลงทาให้มีกายสงบเร็มับไม่กระวนกระวายตรงนี้อาจจะเป็นทางทีง 5, 6, 108, so ่จะทาให้เราสามารถที่จะหลุดพ้น จากรอบ4จากทวาร9นี้ได้ไเวลาที่เราจะหลุดพ้นจากรอบสจากทวาร9นี้ออกมาออกมาได้นั้น แ, แน่นอนเราก็ต้องอาศัยเครื่องมือนะอริยมรรคมีองค์แนี่แหะเป็นเครื่องมือสตินี่แหละเป็นเครื่องมื อ, ต แ, มอแต่บางที่เราเดินมาคนเดียวหรือเราอาจจะมีเพื่อนมาด้วยก็ได้่นะมีกัลยาณมิตรด้วย่นะมาทําคนเดียวก็ได้คนหนึ่งก็ได้ประโยชน์ด้วยนะในเรื่องของรายการที่ท่านผู้ฟังฟังอยู่นี้วันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของอริยบทสี ได้พูดถึงเรื่องของทวาร9นั่นก็คือกายของเรานหนึ่งนั่นที่มีวงรอบในอยู่4อย่างคือจาก4มีทวารทั้งหมด9ทางนั่ที่เป็นช่องทางมีการไหลออกไหลเข้าของของเสียของเน่าอยู่ตลอดเวลาะลในเวลาที่เราพิจารณาให้เห็นดูให้ดีแล้ ว, ลวเราจะทําความจําใจ้งขึ้นได้และถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะติดต่ อ, อ ก, กับทางรายการไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องใดจะำำถามคาถามแสดงความเห็น หรือว่าให้ข้อคิดต่างๆเราสามารถติดต่อได้ทางจดหมายโดยเขียนเป็นจดหมายหรือปริศียบัตรก็ได้ส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่แปดตบลดอนไหโศกอาเภอหนองงานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์เข้าไปที่ puredhammam.com e ถ่าในฝั่งต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของวัดป่าดอนไหโศกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมสามารถสมัครออนไลน์ สามารถที่จะดูข้อมูลต่างๆและก็ไปที่เว็บไซต์ของวัดย่อมาจาก w p d h s o r g wp ก็วัดป่า d h s ก็ดอนไฮโ .org ตัวข้าพเจ้าที่พูดอยู่นี้ก็ชื่อพระไยบูลพิปุโนอยู่ที่วัดป่าดอนไฮโศเวลามาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงรายการธรรมะเราจะได้พูดถึงเรื่องของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษในวันจันท์แคือเรื่องราวที่เป็นหมวดข้อธรรมต่างๆวันนี้ได้ยก เรื่องของจักรสี่คืออริบท4ในยกเรื่องของทวารเกนึ่งที่เป็นช่องทางหนที่ให้มีของเสียลายเข้าแลือออกในกายของเราเพื่อที่ให้ทราบว่าเราสามารถใช้ร่างกายของเราเนี่ยที่มีจักรสี่มีทวารเกในการที่จะทำให้พ้นทุกได้แต่ถ้าเราพ้นทุกแล้วมีความที่หลุดพ้นจากเครื่องข้องเครื่องกังวลต่างๆร่งรงรงรงรงางกายนี้ก็จะเป็นแค่สิ่งหนึ่งต้นนั้นเองที่ตั้งอยู่แต่ถึงเวลามันแตกสลายไปก็แตกสลายไป หน้ใจของเรานั้นสบายแล้วหน้ใจที่สามารถที่จะพ้นจากเรื่องของกายนั้นก็เหมือนกับใบบัวที่อยู่ดดนกับน้ําอยู่นี่แหละแต่ว่ามันไม่กินเป็นเนื้อเดียวกันหน้าน้ำนี้เมื่อเมื่อไร่ก็ตามที่แสงแดดส่องมันนั่นมันก็จะเรอให้ออกไปหรือเมื่อไรก็ตามที่มันเอียงหลุดไปจากศูนย์ของมันมันก็ตกออกจากใบบัวได้เหมือนกันใจของเราที่บริสุทธิ์อยู่นี้เปรียบเหมือนกับดอกบัวเปรียบเหมือนกับใบบัวที่มีน้ําคือการของเราห่อหุ้มอยู่ นั่นอะไรก็ตามที่น้ํานี้ถึงเวลาที่แตกดับไปนั่นมันก็ไหลเลือดออไปเองหรือเวลาที่แสงอาทิตย์ฉายขึ้นมา น, น้ํยานี้ระเหยไปก็คือกายนี้เราแตกดับไปเหแต่ใจของเราก็ยังอยู่เป็นประพัดสอนเป็นใจที่มีความเป็นอมตะเป็นใจที่เข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นนั่นเองแต่ถ้าท่านฟองยังมีคําถามข้อสงสัยใดๆก็สามารถติดต่อมาตามช่องทางที่ใดบอกไว้จลนบอล